มีคุณยายคนหนึ่งนะอายุ90นั่งอยู่บนรถประจำทางต่อมาก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะถ้าทางเป็นสาวออฟฟิศ ส, สายกระเป๋าใบโตก็ขึ้นมาบนรถและเห็นที่นั่งใกล้คุณยายนี่ว่างก็เลยซุดตัวลงนั่งข้างคุณยายบอกว่ากระเป๋าของเธอนี่ก็ไปโดน ใบหน้างคุณยายนะแต่แกก็ไม่สนใจอะไรนะระหว่างที่นั่งอยู่นะหญิงสาวคนนี้แกก็นะค้นหาของในกระเป๋ายุกยิบๆกระเป๋าของเธอก็ไปโดนแขนคุณยายสลักพักเนี่ยแกก็ลุกขึ้นนะโดยที่ไม่ระวังกระเป๋านี้ก็เวี่ยงนะเกือบจะไป กระแทกหน้าคุณยายอยู่แล้วแต่คุณยายแกรู้ทันไงก็เอามือป้องเอาไว้ก็มีคนเห็นเหตุการณ์นะผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหลังก็พูดกับผู้หญิงคนนั้นว่าเนี่ยระวังกระเป๋าคุณหนสิมันไปโดนคนอื่นแล้วเนี่ยผู้ยิงคนนั้นก็หันมาแต่ว่าสีหน้าก็นิ่งเฉยไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เอ่ยคาขอโทษ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เลยแล้วก็เดินไปหลังรถผู้ชายคนที่เห็นเหตุการณ์คนนั้นก็เลยถามบุญยายว่าทำไมบุญยายนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยในใจแกคงคิดว่าเนี่ยเจอแบบนี้ก็น่าจะบนน่าจะโวยวายนะผู้หญิงคนนั้นนะไหนจะเอาเบียงก็ กระเป๋ากระแทกหน้าไหนจะทำตัวรำคาญนะรบกวนคนที่นั่งอยู่ข้างๆก็เลยสงสารทำไมคุณยายนี่ไม่บ่นไม่พูดอะไรเลยนิ่งคุณยายแกก็ยิ้มนะแล้วก็ตอบว่า เราจะไปเสียเวลาเสียอารมณ์กับเรื่องที่ไม่สําสําคัญเลยคนะืนไปพูดไปบน่นมันก็จะกลายเป็นการทะเลาะเบาะแวงวิวาดกันนะกลายเป็นการทะเลาะกันเรื่องเล็กๆ ก, ก, ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้นี่แกก็พูดต่อไปว่าเนี่ยเรื่องแบบนี้นี่ ถ้าปล่อยมันผ่านเลยไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวซอกภาคฉันก็ลืมไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าถือมันถือเป็นเรื่องใหญ่นะวยวายตีโพีพายเกิดทะเลาะบบาแวงกันก็จะเสียอารมณ์ทั้งวันเพอเผลอนอนไม่หลับด้วยนะแล้วคุณยายก็พูดอย่ประโยชน์ึงบอกว่าคนเรานะ ไม่ว่าจะเป็นเธอชั้นหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเราก็อยู่บนรถโดยสายคนนี้แค่ชั่วคราวว่าเดี๋ยวป้ายหน้าฉันก็ลงแล้วในยาคือว่าก็อย่าไปถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะแในคำพูดคุณยายนั้ น, นให้ขอคิดที่ดีนะกับผู้ชายคนนี้ แล้วก็ให้ข้อคิดเตือนใจนะกับว่าคนทั้งหลายได้ด้วยนะบ้านเนี่ยไอเรื่องที่ไม่สาสำคัญเนี่ยจะไปเสียเวลากลับมันมากในการกระทบกระทั่งกันอาจจะด้วยการกระทําหรือคําพูดนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าถือเป็นเรื่องใหญ่นะถึงขั้นโมโหโกรธามันมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะมันก็นําไปสู่การ ทะเลาะวิวาดกันทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจมากเข้าไปใหญ่เสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นเสียอารมณ์ไปทั้งวันคนเราเนี่ยมักจะปล่อยใจให้เสียเวลาไปกับความทุกข์นะเราบางจะบอกเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่เรามีเวลา ให้กับความโกรธนะมีไายกับความทุกข์มีไว้กับความขุ่นเคืองเพราะอะไรนะเพราะว่าเราเนะีมัวไปใส่ใจนะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยเพราะเนี่ยคนเราเพอถ้าเกิดว่ามีความถือตัวถือตนมากนี่เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะแต่ถ้าว่าเรารักตัวเองจริงๆนี่เราก็จะพบว่า ไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องแบบนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการปกป้องตัวเองนะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นการซ้ำเติมหรือเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองแทนที่จ ะ, ะมีเวลาให้กับสิ่งที่มันชวนให้เกิดความสุขผลล่อนคลายก็เอาใจไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องแบบนี้เรียกว่าปล่อยจะให ไปจมอยู่กับความทุกขนะ์เสียเวลาปเปล่าๆเดี๋ยวพระที่คุณยายพูดว่าเ น, นี่ยเนะี่ยเราก็ทุกคนก็อยู่บนรถโดยสารแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละ <c oughs> ว่่เดี๋ยวฉันก็ลงไปหน้าแล้วอันนี้เป็นความหมายลึกซึ้งนะคนเรานี่ไม่ได้แค่ อยู่บ โ, โดยสารเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะที่จริงแล้วเราอยู่บนโลกนี้แค่ชั่วคราวเหมือนกันนะอีกไม่นานเนี่ยก็ต้องทุกคนก็ต้องลงจากรถนะจะเป็นป้ายหน้าหรือกี่ป้ายก็ตามสุดท้ายก็ต้องลงจากรกเหมือนกันก็หมายความว่าสุดท้ายเราก็ต้องลาจากโลกนี้เหมือนกันในเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวนะก็อย่าไปเสียเวลากับเรื่อง ที่ไม่ ส, สำคัญโดยเพราะเรื่องที่มันทําให้เราทุกข์เป่าเปล่าเานเี่ยเมอเราเวลาโกรธแค้นกันนะเราลองนึกเสียว่าเออเราก็อยู่ในโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องแยกย้ายกันไปแล้วคิดแบบนี้มันก็ทําให้เราเกิดคําถามขึ้นมาว่าเนี่ยเราจะโกรธกันไปทําไมนะอีกไม่นานก็ต้องนะเลิกราจากกันแล้วแล้วยิ่งเวลาเรายิ่งเหลือน้อยนะเวลาแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงมีค่า เอาเวลานั้นเนี่ยนะมาใช้กับการทาสิ่งดีๆหรือว่าให้เกิดความรู้สึกดีๆทั้งกับตัวเองแล้วกับตอบกันดีกว่ายิ่งเวลาเหลือน้อยยิ่งช่างใช้เวลาคุ้มค่าด้วยการใช้เวลาให้มีความสุขอย่าปล่อยเวลาให้หมดไปกับความทุกข์หรือว่าความเศร้าความโศกความโกรธความแค้นนคะติของคุณยายนี่ก็ดีนะ จริงมันก็ไม่ใช่หมอสําหรับคนแก่เดียวนะหมอสำหรับคนหนุ่มสาวด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเสียเวลาเสียอารมณ์กับเรื่องเล็กน้อยเราก็จะไม่มีความสุขเลยแล้วก็ไม่คุ้มกันด้วยนะเอาจิงเอาจังกับเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเสียอารมณ์มันก็นอนไม่หลับแต่เราเพียงแต่ไม่สนใจมันปล่อยมันผ่านไปเรากลับหลับสบายนะอันนี้เรียกว่าเป็นวิถีของคนที่รักตัวเองนะไม่ปรารถนาที่จะ หาความทุกมาใส่ใจหรือเอาความทุกมาซ้ําเติมตัวเองบางทีเราเผลอนะเผลอที่จะจมอยู่ความทุกเพราะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นลืมไปว่าให้เราอยู่บนโลกนี้เป็นแค่โชว์คราวนะอีกไม่นานเราก็ต้องละโลกนี้ไปเหมือนกับที่คุณยายบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปหน้าฉันก็ต้องลงแล้วนะ